ฟ <c oughs> ังคำแก่นว <c oughs> ให้มีส่วนร่วมกับการฟังแต่ดืมความหนาวไปถ้าจดโจอยู่กับความหนาวมันจเชี่หนาวมากขึ้นเพราะมันมีลูกมีนม้ม ถ้ามันรวมกันันไอันหนึ่งก็เป็นก ร, รมขึ้นมาได้ด้วยรูปธรรมนามธรรมถ้า <c oughs> รูจากกรก้จักแยกมีธรร ม, มน้ำหนาวนี่เป็นอาการของรูปนามไม่เป็นไรเห็นเหมันหนาว ไม่ได้เป็นผู้เหนาความเหนาไม่ได้เป็นอะไรเป็นอาการเกิดขึ้นกับลูกเป็นธรรมดาเหมือนกับเราสอที่ใหญ่พระจุดพร้อมพวกมีเพียนเพ่งอยู่สิ่งทุกสิ่งเกิดใจเหตุจะดับก็ดับที่เหตุแล้วก็ลอยตัว ชีวิตลอยตัวถ้าเราเห็นเป็นแยกเป็นส่วนลูปส่วนนามเป็นนาการเป็นธรรมชาติธรรมดาน่าจะขอบคุลคขวมหนาวรู้จักหนาวถ้าไม่รู้จักหนาว ลูกนี่เป็นอย่างไรแตกแห้งเหงื่อแห้งตายไปมันรู้จักหนาวรู้จักช่วยตัวมันหาวผ้าหัวห่มมันป้องกันภัยเหมือนใบไม้ไม่มีนม้มมันหนาวมันหนาวกว่าวไม่รู้จัก ด้วยตัวเองอใยความหนาวเย็นลวกใบเขียวกลายเป็นใบลวกเหมันไฟลวกโลนลงหมดนั่นเป็นลูกมันจิบหายเพราะร้อนเพเหนาวได้หลางตาเคยไปอยู่สหรัฐไปอยู่รัดที่หนาว ก็ดูนี่ใบ ไ, ไม้ลวกตัวตงหล่ลนไม่มีแม้แต่ใบเดียวกวางก็เดินตามป่าไม่มีใบหญ้ากินแห็นใบแทะเปลือกต้นไม้กินไม่ผลของ ความที่เขาปลูกสวนต่างๆก็ต้องทำตาขายร่องไม้ปลูว ก, กวงไปกินเปลือกต้นไม้เขาเดินเฉยกเฉยซ อ, อยู่ทางป่าตามเขาแต่ว่าหวงบ้านเขาไม่เหมือนกวังบ้านเรา ขนเยอะมองจนไม่เห็นตาขนมันมากมันเป็นธรรมชาติป้องกันหนาวขนมันมันป้องกันหนาวต้นไม้ก็เป็นเป็นผ้าหม่มเป็นขนเต็มต้น อันก็เป็นดีกันหนึ่งคนเขาก็ม่เหมือนคนของพวกเราผิวหนังต่างกันคนเกิดจากเมืงหนาวผิวหนังอ่อนๆนิ่มๆสู้หนาวสู้ร้อนได้ผิวหนังนิ่มๆไม่เหมือนคนเอเชียผิวหนังหนาหนาแข็งแข็ง ชู้รนชูหนาวมาได้เหมือนเขาเหมือนผ้าห่มถ้านิ่มๆก็ห่มอุน่นถ้าผ้าห่มเฉ๋งเฉ๋งก็ห่มไม่อุน่นเนื้อนังของเขาที่มันเป็นนิ่มๆ ม, มันก็หมออ้อแจกรป้องกันตัวถอดเด็กก็เจ็ ง, จงสู้หนาวก็เจึงเล่นพวกคนหลังเขามาอาบแดด นอนตากแดดตามหาชายอยู่ได้ทั้งวันแต่คนไทยไปนอนตากแดดคนรับรองวาไม่เอเขียไปนอนตากผ้านเขาไม่หมดหนาวานเขาวาเหมือนหนาวาเราหนาวเจ็บปวดหนาวเปียกหนาวบ้านเราหนาวแห้ง กดูหนาวนี่เปียกตัวนั้นรู้ดูห น, หนว่าเราแห้งแผ่นดินก็แห้งก็ดูหนาวว่าเขาแผ่นดินเปียกน้ำไหลต้งไหนน้ำไมไหลเป็นบวกเป็นหลุมบวกเป็นน้ำแฉ่งต้งไหนที่น้ำไหลก็ไหล ได้ยินเสียงน้ำไหลเวลานอนกลางคืนแต่เขาก็เจ๋งกนานศูนย์ลบสิบยังเดินจงกรมแต่เราอยู่ในเพ้อหมก็ยังยังยังหนาอแต่เขาเดินอยู่กลมได้ ทางนัน่นธรรมาชาติมันก็เกิดมาเพื่อเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมถ้าสิ่งแวดล้อมเป็นเช่นใดธรรมชาติก็เป็นเช่นนัน้นคนใกล้กความหลงก็มีความหลงเหมือนกันนก สัลิกาลมพัดไปอยู่ภูเขาทองกลายเป็นสีทองลงพัดไปอยู่ภูเขาเงินกลายเป็นสีเงินลงพัดไปอยู่กับโจรก็เป็นโจนรลมพัดไปอยู่กับฤาษีก็เป็นฤาษีนี่ทเมตาคนหา พูดออกมาเป็นเมตตากุณนายช่วยเหลือ <c oughs> <c oughs> ส่วนตั ว, วไปตกอยู่กับโจรก็ไม่แต่ข้ฆ่าปันแทงมันยิงมันทีบมันเหยียบมันพูดดีไม่เป็นคนเราก็เหมือนกันอยู่กับเพียงเวลอหมดลายถ้าไม่หัดไม่ฝึกตัวเอง ก็กับสิ่งเหล่านั้นไม่มีความเพี่ยนไม่มีสติไม่มีอินทรีย์ไม่เชื่อมอินทรีย์ความหนาวเกิดขึ้นก็หนาวความโกรธเกิดขึ้นก็โกรธความทุกข์เกิดขึ้นก็ทุกข์ไม่เชื่อมล้วนก็เลยเกิดดับเกิดดับวิธี่เกิดดับ ในรูปในนามเราจึงต้องประมาทไม่ได้เกิดเช่นนี้ไม่เป็นไรมันจะมันจะเข้าไปเป็นเวลามันเจมันเก็บมันตายก็ยอมจำนนร้องโงมร้องห้อยคิดไกลคิดมากทั้งเขาเจ็บปวดต่ก็เล่นไปไกล เดิที่จสงบแต่ความเก็บความเจ๋ความตายไม่สงบความเจ๋อบางคนไม่ฝึกได้อู้งล้อมไม่ไปเยี่ยมควาเจ๋อที่น้องหัวแดงเขาอุ้งล้อมไมา่มือไม้ขั้วอะไรได้ก็มากิน รูปอยู่ที่นั่นสีกระดานสีอะลยเอามากินเคี่ยวกินากต้องเคี่ยวอยู่เสมอต้องล่อมโซ่ไวในที่ไม่มีอะไรจับได้ก็เห็นมาแล้วขนแก่แม้แต่พระสมัยอยู่องเลยเป็นขนาดเป็นเจ้าคุณ นั่งอยู่วัดเดินเข้าไปในบ้านไปถามชาวบ้านวัดคุยอยู่สายวัดคุยอยู่สายไปหาวัดไปถามชาวบ้านชาวบ้านก็เอามาส่งวัดนี่วัดหลงปูอยู่นี่วันเดี๋ยวอยู่ก็เดินเข้าบ้านอีกหาวัดไม่เจอทันทังที่เรีนพระไม่ฝึกฝนตนเอง จำลูกจมหล่อนไม่ได้เรียกลู้ว่าแม่แม่เรียกรู้ว่าพ่อ พ, อพอ่ขับกันเลยอาสงสารนะของแก่ถ้าไม่มีสติสักหน่อยเน่ยสู้วัวสู้ควายไม่ได้วัวควายพวกมันแกน่มันไม่นอนกับปุ่งนะไปนอนขอบโคบ วววัวถือขวายถือ ก, ก็จะไล่กันเหยียบชนกันเหยียบไปนอนอยู่มุมมุมหลบลีกเอาตัวให้พ้นพายเวลาไปหากินถ้าไล่ลงข้ามห้วยมันก็ดูทิศทางถ้ามันร่วงไปจะข้ามไม่ได้มันก็ไม่ไปหลบตีเขี้ยนยังไงก็ไม่ไป คนโรนี่ถ้าไม่พึกนี่อะไรก็เอาหมดหน้ากว้างมีคนป่วยอยู่บ้านถ้ามาไปหวานคนเจเดินเข้าสว น, น, เ, น, น, เ, นเดินเข้าป่าหาหาหาบ้านหาเรือนนั่งอยู่เรือนเดินเข้าป่าเรือนอยู่ไหนเฮี้ยนอยู่ไหนเนลูกก็ตามเปล่าเคลนมาให้มานั่งอยู่บ้าน อย่างน้อยก็เดินเข้าไปในสวนในปา่าไปหามา้านหาเดือนตัวเองนี่ก็มีเราจะรอถึงวันนั้นไม่เตรียมเนื่อเติมตัวไม่หรือฝึกตัวเอง้ถ็ถ้าฝึกมันจะเห็นเห็นความเท็จความจริงทำได้ทุกอย่างสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนี่ ทเทียมกายทเทียมใจทเทียมใจก่อนตายทเทียมพกายก่อนเจฝึกขนตนเองมีสติเห็นกายในกายอยู่ปเป็นไปชัเห็นเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์เห็นความคิดเห็นธรรมที่เหมันเกิดกับกายกับใจ ดูไปดูมามันเป็นรูปเป็นนามที่มันคิดไปนโน้นมันเป็นนามนั่งอยู่นี่เป็นรูปแต่มันก็ยิ่งใหญ่ขณะที่มันไม่มีรูปมันความคิดก็หอบพิวรูปนี้ไปได้ไปกับความคิดได้นามบางคับไปรูปเป็นทุกข์ก็ได้ บางครับยังไงก็ได้เป็นใหญ่ใหญ่แวปลาเถื่อนแ้าไม่ฝึกไม่รูความเทศขมกิงของนามแต่แลรที่มันคิดถือว่าตัวว่าตนตามตามมันหมดไม่ได้สอนไม่มีสติมันเป็นความป่าเถื่อนของรูปของนามอันตราย ประมาทไม่ได้ถ้าเรากดจะเห็นความเทศจความจริงมีจิตเป็นเจ้าของเห็นลูกเกี่ยวกับลูกอย่างถูกต้องเห็นน้ำเกียวกับน้มอย่างถูกต้องหอด้วยลูกหอด้วยน้ำสมังคีไม่ปียนเปลี่ยนการมีจิตเป็นเจ้าของ ใช่รูปใช่นามเอารูปมาใช้เอานามมาใช้เอารูปมาทาเอานามมาทำํำใจคิดอะไรตั้งใจคิดไม่ให้ความคิดใช่เราถ้าเราไม่เปิดในความคิดมันใช่เรากลางคืนเป็นควรกลางวันเป็นเปลวกลางคืนว่าฝันกลางวันว่าคิดแต่คิดจริงได้ก็ เป็นตัวเป็นตนไปนในความคิดพอให้สุกใหยทุกข์กับความคิดความคิดขึ้นมาเป็นทุกข์น้ำตาไหลกินไม่ได้นอนไม่หลับถ้ามันใช่เราเราเกิดมาถึงปูนนีถึงวันนี้ควมคิดใช่เราหรือเราใช่ความคิดไม่อยากคิดมืนก็คิดมีบ้างไหมนั่นแหละคือความคิดมันใช่เรา ไม่มีสติก็ใช่แบบป่าเถื่อนคิดได้ทุกอย่างทุกเรื่องทำไปคิดได้มันก็เป็นกรรมสำเร็จประโยชน์ของมันส่วนลูกก็ตามมันไปไอ้เพิ่มกระทบมากที่สุดคือลูกเราจึงมาเห็น นิสติเห็นวันคิดไม่ได้เข้าไปในความคิดกับมาหาที่ตั้งนี่เคลื่อนไหวอยู่นี่คือรูปเอารูปเป็นที่ตั้งเอารูปเป็นนิมิตเคลื่อนไหวก็มีจริงๆนี่มือก็มีจริงๆเอาวางไว้หกเขามันก็มีจริงๆรูปอยู่นี่กลับมาได้อันความคิดไม่มีรูปมันเป็นนามธรรมา มันไม่ได้ดึงไม่ได้ผูกอะไรเพียงแต่ลูกอยู่ที่กันกระทำเป็นกรรมาฐานมีที่ตั้งมันก็ม า, าได้มาลู่ตรงนี้มาลู่ตรงนี้ให้มันอาศัยเกาะอาศัยจับปึกวันให้มันลู่อยู่นี่หางานให้มันทําเหมือนเด็กน้อยที่บันดือพ่อแม่จับ นึ่งข้าวหุงข้าวต้องหาตุ๊ ก, กตาให้มันเล่นเสียก่อนเอาขันตดไหวเลยมาตีบาไว้ให้มันเล่นแล้วก็อยู่ถ้าไม่มีสิ่งที่โล่มันมันก็ไปอยู่ขานตกบ้านตกเรือนไปยึ่งหาสิ่งที่ให้มันเล่นเพื่อให้มันนั่งอยู่เพื่อที่หุงข้าวนึ่งข้าวอันนี้ก็เหมือนกันหาสิ่งที่ให้มันอยู่นี่ พิธีฝึกกิดฝึกใจจะจับเหมือนควัวเหมือนควายจับไม่ได้ออกจเห็นเหมือนคิดจะเห็นความคิดกลับมาู้จึตตัวทำได้สำเร็จตรวข้างที่มันหลงไปที่อื่นกลับมานี่จนมันจำนี้จำนาน เมื่อมาจำนานแล้วมันต้องมีก็ได้ริบบทเนี่นี่แต่ความรู้สึกไปในเต็มไปหมดเลยความรู้สึกตัวในกายความรู้สึกตัวในจิตก็สติเป็นเจ้าของแล้วเป็นใหญ่แล้วเป็นอินทรีย์ตัวใหญ่สติอินทรีย์ใหญ่กว่าตากว่าหูใหญ่กว่าจมกูกดิในกายใจสติอินทรีย์ ต า, ตาหูมันก็ใหญ่เฉพาะแบบของมันหูก็สําหรับฟองเสียงมันดมกินไว้ได้มันลรีบลดไปได้ส่วนป็นสติอินทรีย์รูกทุกเรื่องเป็นผู้มีอินทรีย์หน้าโลกมีสติเป็นเจ้าของมิสติเป็นหน้าโลกเหมือนพระขี่น้าศุกรีมีสติเป็นบินใดหมายถึงพระอาหัน์ ผู้มีสติดีนี่เราอยู่กับภาวะเช่นไรชีวิตของเราที่อยู่วันหนึ่งนาทีหนึ่งอะไรมันไปทางไหนถ้าไม่มีสติแล้วก็ปล่อยเถื่อนเื่อนยิ่งคื่องคิดก็ยิ่ง ออกเข้าง่ายร่างกายเหมือนถ้าความฟิตหรือว่าน้ำเนี่ยมันออกก อ, อกจากนี่ได้ง่ายวิ่งไปโน่นวิ่งวปนนี่เราก็ไม่มีหลักไม่แ่งมีกายก็พึ่งกายไม่ได้มีใจก็พึ่งใจไม่ได้แล้วแต่อารมณ์จะใช่จะบังคับแบบไหน คลุมรลายคลุมดีผูผูแบบแผลจามาฝึกมันเห็นหลักฐานเห็นรูปเห็นนามนั่งอยู่นี่คือรูปคิดไปโน่นคือ น, นามความเกิดกับรูปความหนาอเป็นอาการของรูปความร้อนเป็นอาการของรูปความหิวเป็นอาการของรูปความเจ็บความปวดเป็นอาการของรูปไม่ใช่จุกไม่ใช่ทุก ไม่ออการที่มันเกิดกับรูปมาเป็นสุขเป็นทุกข์กองมกดความโลภควมหลงกิตตนะละท่าเป็นอาการของนามไม่ออการที่มันเกิดขึ้นกับนามเช่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นนาการมายิ่งใหญ่ไม่ใช่จิตความกดไม่ใช่จิตไม่ใช่ลูกไม่ไม่ใช่นาม ความทุกขนะ์ไม่ใช่นะไม่ใช่น้ำเป็นนาการที่เกิดขึ้นกับนามธรรมก็เห็นตามความเป็นจริงนามธรรมาวิจินี่้จะเปรียบเหมือนผ้าขาวปกติอยู่เป็นนิดแต่ ภูพญิเลศมันจรมามาทําให้เปื่อเพื้อนเหมือนกับเสิยงฉกปกนะเปืเป่อเพื่อนผ้าขาวก็ไม่สํารวมก็เปืเป่อเพื่อนมากโทสะจริตเกิดขึ้นกับจิตอะไรก็โกรธง่ายโมหิจริตเกิดขึ้นกับจิตอะไรก็หลงง่ายลาค่าจริตเกิดเคลือนจิต ก็มีการปุ่งแต่งเก่งไปเอาการปุุงแต่งว่าเป็นตัวเป็นตนทำตามความโกรธทำตามความหลงทำตาพมพิห劣ตัญหาเร <c oughs> าลัวน้ามเหลวเป็นสมมติบัญญัติว่าชอบว่าไม่ชอบบางทีอะไรที่เหมือนผิดก็ยัง ทำตามที่ความผิดที่มันเกิดขึ้นกับจิตถ้าความโกรธเกิดขึ้นก็ทำตามความโกรธหรือว่าตัวว่ า, วาตนถ้าคุได้โกรธใยไม่ลืมไม่รู้แจ้งตามวาเป็นจริงอันตรายถ้ามันเปืเ้อนครวมช่วงมากล้วก็เสื่อมคุณภาพความเป็นมนุษย์ เป็นเปเป็นสุโลกไปเป็นสันโลกเป็นเรย์ฉานเป็นผู้ปวนต่ำพัฒนาไม่ขึ้นก็เสียชาติในความหลงก็เป็นความหลงถ้าพัฒนาในความหลงเป็นความไม่หลงได้ประโยชน์ในความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ในความโกรธเป็นความไม่โกรธในการบวงแต่งสังขารเป็นปิสังขารนั่นแหละเป็นมนุษย์เป็นพระเป็น มักเป็นผลขึ้นมาในใความไร่เป็นความดีให้ความปิดเป็นความถูกได้มันฝึกได้รวยลูกทำน้ำทำมันไม่เหมือนสัตวไม่เหมือนต้นไม้ไม่เหมือนก้อนหิน <c oughs> มนู้ดจึงมาฉาดประเสริฐเพราะมันฝึกได้ฝึกเวลามันหลงให้มันรู้นี่ย เวลาทุกข์ให้มันไม่ทุกข์ในความทุกข์มันมีความไม่ทุกข์อยู่ที่นั่นถ้าฝึกให้เวลาทุกข์ไม่ทุกข์ในความทุกข์เรื่อมนุษย์ถ้าความทุกข์เป็นความทุกข์วยว่าคนต่ำลงไปต่ำลงไปไปสู่นรกมากไปสู่อบายมากมันมีหลักมีฐานมีเหตุมีปัจจัย ลูกทำนามทำมันทำดีเป็นมันทำชั่วเป็นรูปนี่นามนี่เวลามันทำชั่วมันก็ทำสำเร็จเวลามันทำดีก็ทำได้สำเร็จมันทำให้เป็นความชั่วมีเท่าไหร่แล้วมันทำให้เป็นความดีที่เป็นหน้ายกมือไหวมีเท่าไหร่เพียงพอไหมกับการมีรูปมีนามนี มีโอกาสที่ยกโมาว่าเรือ่องได้ไหมหร <c oughs> <c oughs> ือว่า่จินแด็งแขงใจจิแนแด็งแขงใจไม่มีค่าอะไรแล้วก็ไม้ภูมิใจจะ่ได้ชีวิตขึ้นมาเราจึงต้องไม่ประมาท อย่าประมาณในความหลงเวลามันหลงให้รู้จึกตัวฝึกในเอาความหลงเป็นความรู้ทําได้วิธีฝึกก็กลับมาที่ตั้งมีสติเวลามืนทุกให้ควาทุกเป็นความรู้ซะเวลาเหมือมนขู่ให้ความขู่เป็นความรู้ซะเวลามือมนพงศ่านในความพงศ่านเป็นความรู้ เวลามันจงบอกปเป็นความจงบเป็นความรู้เวลามันผิดให้ความผิดเป็นความรู้เวลามันถูกให้ความถูกเป็นความรู้เปลี่ยนให้เป็นความรู้สงหมบสิ่งที่เกิดขึ้นกับรูปนามนี่หัดเปลี่ยนอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติมันจะมันจะ ไม่มีเชื่อเมื่อหลงให้รู้ควาหลงก็ค่อยจะหมดไปความโกรธเมื่ความรู้ของโกรธก็จะหมดไปถ้าโกรธเป็นโกรธหลงเป็นหลงทุ ก, ทกข์เป็นทุกข์สุขเป็นสุขมันยังมีอยู่ในรูปในนามนี่มันก็ทำได้ก็เห็นกับทําได้กับมือทําได้กับรูปทําได้กับนามนี่ ว่าก็ถูกกิง้งกิงสัมผัสแล้วมันถูกท่องกิ้งกิงเนี่ได้ประโยชน์รู ป, ก, ปรก็มีประโยชน์ไม่มีโทษน้ําก็มีประโยชน์ไม่มีโทษมันก็ต่างกันอยู่เห็นอยู่ไม่ต้องถามใครเวลาเราเปลี่ยนหลงเป็นรูปมันเป็นเช่นลายเวลาเปลี่ยนโกรธเป็นความรู้มันเป็นเช่นลายา เ, ลยเวา ล, เเลามันทุกข์เปลี่ยนเป็นความรู้มันจะเป็นเช่นลา เวลามัสุกเปลี่ยนเป็นความรู้มันจะเป็นอย่างไรให้สัมปัตย์แยบคลายจะได้ได้ทางจะพบทางจะพบทางที่นี่จะมาเกิกับกายกับจิตนี่จะได้ทางที่เป็นเป็ น, ปนมากเป็นผลทไาได้ถ้าตุทุกไม่ในทุกใน เป็ความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ให้เป็นความรู้เนี่ยมันจะเป็นเช่นลายถ้าได้สัมผัสหนึ่งข้างสองข้างรอยข้างขวันหมนมเก็เอียงง่ายเหมือนถีบจั ก, กรยานขึ้นโมทีแรกก็สวนทวนกระแสสักหน่อยถ้ามาขึ้นเราก็ง่ายเอียงลง งายที่จะไม่หลงงายที่ไม่ทุกง่ายที่ไม่โกรธง่ายที่ไ ม, ทท ไ, มทไม่เป็นอะไรเดี๋ยวนี้มันถัดไปใหม่ก็ทวนกระแสสักหน่อยก็มีความผิดให้เปลี่ยนผิดให้เปลี่นรู้ไปถัทดทวนกระแสเหมือนคนเดินทางคนเดินทางก็มึนง่าเป็นธรรมดา แต่ว่าการเดินมันก็เมื่อยล้าแต่ว่ากาเดินมันผ่านไปมันหลงเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงเหมือนคนเดินทางเหมือนทุกเปลี่ยนทุกเป็นไม่ทุกเหมือนคนเดินทางแล้วก็ผ่านไปมันหลงให้รู้ผ่านหลงเป็นรู้ผ่านไปแล้วเอาหลงไว้หลังแล้วเหมนทุกเป็นรู้ผ่านทุกไปแล้วเอาทุกไว้หลังแล้ว เหมือนคนเดินทางจากนี่เอาไว้หลังเอาไว้หลังผ่านไปเรื่องมรรคคือดูคือเห็นคือไม่เป็นแต่มันไปไกลไปกิะพ้นไปเอาไว้หลังแล้วก็ผ่านได้ไว้อยู่ข้างหน้ามันก็ไปทวนกระแส ก็เหมือนกับจริงคตรหลงเขาง่ายที่จะไม่หลงง่ายที่จะไม่ทุกง่ายที่จะไม่โกรธง่ายที่จะไม่พุ่งก็ได้ชีวิตทีวาขึ้นมาได้ความไม่หลงเกี่ยวความหลงโดยความไม่ทุกจากวความทุกนั่นได้ความไม่ผิดจากความผิดนั่นก็เรียกว่าปัญญาความรอบรู้ในกองสังขาร เดี่ยวปัญญาพุทธะปัญญาพุทธะเกิดในกองรูปวงนามนี่ในกายสังขารในจิตสังขาร น, นี่ที่มัอนพุงมันแต่งนี่ที่มันเกิดเจี๊ยบตายนี่ปัญญานี้ก็เลยเหนือการเกิดเจเจยบตายเยอะมากกว่าผลมันเกิดมาเพื่อเราใช้ให้สําเร็จประโยชน์จากนี่รูป น, น้ํานี่ถ้าใช่ไหมถูกต้องมันก็เป็นทุกข์เป็นโทษ วงกันบ่ยทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ก็มีใช้ทำคนอื่นหลงก็มีเป็นเหตุเป็นบาปไม่เฉพาะคนธรสสารสดาศาลาจริงที่พังให้ตายไปเพราะลูกพ น, น้ํนามในเท่าไรอะไรที่มัน ทำให้เดือดร้อนอะไรเท่าไรแล้วมาปฏิบัติธรรมมาชดแทนมาใช่นี้เคยทำกับใครคนใดมามากขอใช่นี่ทำความดีตอบแทนเคยข้าสัตว์ตัชีวิตเคยทำไมเคยเดือดร้อน สัตว์อื่นเดือดร้อนธรรมาชาติเดือดร้อนมากเท่าไหร่ไม่ได้ด้านหรือว่าด้านไปแล้วเห็นโทษที่เราทําไหมเมื่อมาปฏิบัติธรรมไนน้าตาไหลนะแม้แต่สงสารตัวเองสงสารลูกผัวสงสารมากที่สุดเลยไม่เคยช่วยเหลือลูกบอยให้ลูกเป็นทุกข์ไม่เคยช่ีเ ห, หป เ, ป เ, ชเหลือน้ําปล่อยให้น้ําเป็นทุกข์ เป็นทุกข์ตลอดคืนก็มีนอนไม่หลับไม่เคยช่วยเหลือบ่บ่ลูกอย่างนี้เหรอโอ้สองสารรูปสงสารนามาตาซึมไรนะแล้วทำให้รูปเป็นนามเป็นทุกข์ไม่พอทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ด้วยมีเห็นโทษที่เกิดจากรูปจากนามนี่ ไอ้โกนหัวพวกไอ้ซะเอาใช่นี่จะทําความดีจะบอกความเท็จความจริงจะช่วยเหลือทุกสิ่งไม่ทําให้อะไรเดือดร้อนเม็ตินเม็ถินเม็ชายจะไม่ทําให้เดือดร้อนมีนชีวิตยอยู่เท่าไหร่ก็ไม่ทําให้อะไรเดือดร้อนในลูกก็ไม่ทำให้ลูกเกิดร้ อ, อน ไม่เอาหนาวมาเป็นทุกข์ไม่เอาลอนมาเป็นทุกข์ม่อหิวมาเป็นทุกข์ไม่เอาควาเป็นทุกข์ที่เกิดจากรูปจากนามไม่เอาควเป็นสูกที่เกิดจากรูปจากนม า, ามนาานไาแย่งเอาอันอื่นจะเสียสละยังเป็นอะไรกับอะไรป่านนี้ก็ยังไม่พอน้องก็กินข้าวชาวบ้านผมผ้ากีบอนนอนกติ ก็ยิ่งเสริมสนุนให้เราได้ทําความดีประมาภัตไปได้เวลาญาตโจมกล่าบว่าก็ยิ่งเก็บอกเก็บใจสมควรให้โยมกล่าวไหวหรือยังเนี่ยเราพูดอย่างไงทำอย่างไงก็ยิ่งเสริมสนุนให้เราได้ไม่ประมาทแล้วก็เข้าที่เข้าทางเราก็เราก็คุ้ง กินข้าววันละถ้วยเราก็พยายามทำความดีให้มากกว่าข้าววันละถ้วยใช่จีวบอลก็พยายามประหยัดใช้น้ำใช้ไฟพ ย, ยพยายามประหยัดใช้อะไรไมาพุ่มพวยมให้เดือดร้อนอะบาลที่พออยู่ได้พออยู่ได้ เพื่อใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ขอได้บอกความเท่ๆยังเจ๋ผู้ใจคนคมหลงไม่จียงเนอ้อจะบอกอย่างนี้มไม่หลงจกียงกลงนะัวความหลงเน้อควมทุกข์ไม่จียงเด้อควไม่ทุกข์มันมีเปลี่ยนซะมันจริงเห็นควมไม่ทุกข์ได้พึ่งได้ถ้าใจดี แล้วก็เป็นฉัตวนอยู่ในกระท่อมมุงชากถ้าใจลายก็เป็นนรกในวิมานได้ถ้าใจเย็นก็เป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานใจเนี่ยมันอยู่ที่ใจนี่แหละหัดจิตใจนี่ใจเป็นใหญ่อยากไดุ้ลก็ทำใจให้ดีด อยากได้สวรรด์ก็ทำใจให้มีความสุขในอารมณ์ในการในทร ม, มีเมตตากรุณาเป็นพรมสวรรดิห์หมายถึงอารมณ์ดีๆยิ้มเยยมแจ่มใสจิตไม่เศร้าหมองสุขกิติเป็นที่หวังถ้าจะกได้เป็นนิพพานก็ทำใจเย็นๆ เ, เดอ้อ มันเย็นไหมใจเราทิ้งไปมันเย็นไหมเย็นอยู่ในเตาหลอมเหล็กเตาหลอมเหล็กอยู่ที่ไหนไม่เย็นอยู่ที่นั่นจึงเรียกว่าเย็นในความหลงไม่หลงเย็นแล้วในความหลงในความทุกข์ไม่ทุกข์เย็นแล้วความทุกข์ในความโกรธไม่โกรธเย็นแล้วในความโกรธมันเย็นอยู่ในอย ว่าใจเย็นเย็นในความทุกข์นในความโกรธความรู้ความหลงความหลงความโกรธ ค, ความทุกข์มันรรมีเชื่อมเป э น็นทำให้รอนได้ในทุกเหมือนไม่ทุกแตมันเย็นอยู่ตรงนั้นทุกเป็นทุกแต่ยังไม่เย็นโกรธเป็นโกรธยังไม่เย็นนิพพานมันเย็นอย่างนี้เหมือนหมดไปอย่างนี้เหมือนหมดไปแล้วมันเย็นลงแล้วเย็นลงแล้ว เรียกว่ามีทรรมเป็นมากเป็นผลอยากจะบอกอย่างนี้อยา่าอยากได้บุญอย่าปตาต่อ้อนวอนทําเอาต้องทําเอาบุญไปว่ารู้รู้รูป ร, รู้นามรู้ผิดรู้ถูกเห็นทุกข์ ไม่ให้ทุกเป็นทุกนี่คือบุญคือรู้อย่างนี้เห็นความโกรธไม่ความโกรธเป็นความโกรธ ใ, ให้เป็นความรู้รู้รแล้ว น, นี่คือบุญคือรู้คือแจ้งบาเพื่อมืดเห็นรู้เห็นนามเห็นอาการที่เกิดขึ้นกักรู้ผมนามเป็นบุญไม่งูไม่ความทุกข์เป็นความทุกข์ไม่ความโกรธเป็นความโกรธอีกตอ่อไป โมีบุญทาบนในศาสนาบุญในศาสนาตรงกับข้ามกับบาปเกิดขึ้นที่กาที่ใจถ้ามาเกิดขึ้นที่กาที่ใจนี่แล้วก็เป็นทูตแบบสิงอื่นวัตถุกกอื่นได้บุญมาคือรู้คือแจ้งบาปก็คือมืดเช่นความโกรธเวลามันโกรธต้องก็มืดจำกันไม่ได้ ข่ากันได้มันมืดมองม่เห็นความดีซึ่งเขาไม่อยู่มองเห็นแต่ความไม่ดีขอโทษลหัวหไหวก็ไม่ได้ต้องเข็นข่ากันมมันมืดเหมือนสมัยหนึ่งอยู่เมืองเลยลูกข้าพ่อตาย ก็อยู่กับเมียเอานางเมียมาอยู่กับปู่เมียอยู่บ้านส่วนผัวนั่นไปทำไร่อยู่ในไร่ปู่ก็ว่าลูกสะพย้ยลูกสะ้โกรธวิ่งออกไปไล่ขี่มอไซจ์วิ่งออกไปหาสามีไปหาผัวที่ไร่พอผัวที่เย็นเมียพูดว่าปู่ตายนะโกรธทนที กี่มือใส่้ามาไปห้ร้าก็เอาปืนไปด้วยพอมาถึงบ้านเน็นปูนั่งอยู่เหลาตอกอยู่ก็เดี๋ยวปืนขึ้นใส่ยิงปูปูก็รอวัวจะยิงจะยิงเอามือเบิกเอามือปันหน้าว่าจะยิง่ายิงคนอื่นก็ได้ยินได้เห็นอยู่ลูกก็ยิงใส่หน้าผากติ ถูกมือทะลุถูกน้าผากพ่อก็ตายลงพอเห็นพ่อตายก็วางปืนวิ่งขึ้นไปผล บ, บ้านไปจับพ่อพ่อกูตายแล้วพ่อกูตายแล้วในความโกรธขนาดที่มันโกรธมืดไม่รู้จั ก, ก่าพ่อตัวเองพอพ่อตายล้วก็จึงคิดว่าโอ้กูตายแล้วพ่อกูตายแล้วก็เลยเสียใจ วิ่งก็ไปมวกตัวเขาก็จับติดคุกอยู่ร้องให้ในคุกตลอดเวลาเสียใจเสียใจเพราะถามตามความโกรธมีอย่างนี้ก็มีนะถามตามความรักก็มีถามตามความโกรธก็มีมาให้มืดบอดได้ถ้าไม่มีสตินะอันตรายรูป ทำนามทำมนี่ถ้ามีสติก็รูปทำนามทำมก็เป็นประโยชน์มาทําดีมาพูดดีมาบอกความเท็จความจริงมันมีสมมุติมีบัญญัติพูดกันลู่เรื่องทำก็ทําได้เรียกว่าปฏิบัติธรรมมันมีหลักมีฐานมันมีรูปมีนามมันมีรูปทำนามทำ มีรูปทุกนามทุกมีรูปโลกนามโลกมีสมมุติมีบัญญัติในรูปในนามนี้บัญญัติเอาตาเห็นรูปก็บัญญัติว่าชอบว่าไม่ชอบหูได้ยินเสียงก็บัญญัติว่าชอบว่าไม่ชอบจมูกได้กินก็บัญญัติว่าชอบว่าไม่ชอบกายสัมผัสก็บัญญัติว่าชอบว่าไม่ชอบจิตใจมันคิดขึ้นมาก็บัญญัติเอาว่าดีว่าไม่ดีว่าชอบว่าไม่ชอบ เมื่อมีสมมติปัญญาตก็มีอุปทานยึดว่าตัวว่าตนทำตามความชอบนั้นจึงได้ไม่ชอบก็ปฏิเสธทำลายจึงได้ชอบก็ทําแต่วม่าถูกความชอบไม่ชอบนั้นหลอกให้หลงยินดียินร้ายวิธีปฏิบัติก็คือถอนออกมาในสติตัวกายเพื่อจำ มีสติเห็นกายเป็นประจำอาตาปีสัมปชานโนชติมาวินาโดเกอพิชฌาสมาสังถอนความพอใจและความไม่พอใจในโล ก, ออกเสียได้อนความพอใจในความไม่พอใจไม่เป็นโลดของโลกโลดของธรร ม, มันเหนือนั่น <c oughs> <c oughs> ถอนออกมาให้มันเหนือความพอใจความไม่พอใจนัน่นมันเป็นสมมติบัญญัต <c oughs> เอาว่าทำไมมันเป็นสมมติบัญญัติให้เป็นบัลมตัตสัจจะอันความปล่อยใจกรมากปล่อยใจเป็นเป็นสมมติบัญญัติเมื่อมีสมมุติกรมิอุปทานยึดว่าเราทำตามมันถูกคนนหลก ถอนออกมาจ้ามันจะเหนือโลกลถของโลกเป็นอย่างนั้นความพอใจของมาพอใจไปเป็นลดของโลกโลก ม, มันอยู่อย่างนั้นนะมันทําให้สัตว์โลกติดอยู่เช่นนั้นออกให้มันเหนือโลกนวะรูเ้เห็นมันเห็นไม่เป็นเนี่ยสำนหน้าโลกนะเห็นไม่เป็น พ้นจากภาวะนั่นแล้วมันก็หลุดออกมาสูงขึ้นมาจนเห็นทั้งหมดที่มันเกิดกับกายกับใจเกิดกับรูปนามไม่เป็นกับอะไรอะไรที่มาเกิดกับกายกับใจนี้ที่ว่ามงกุดทำสูงสุดกระโดดให้ได้คน้นออกมาเป็นสมมติบัญญตัติไม่ใช่ปรามัตาสั จ, จะปรามัตาสัจรมันจริงความหลงไม่จริงก้มไม่หลงจริง คมทุกข์มันจริงควมไม่ทุกข์มันจริงนี่ต่วปรามัดจะฮ่อสมมุติมาเป็นใหญ่ในความโกรธมันมีความไม่โกรธในความเจ็มีความไม่แจ่ในความเจ็บมีความไม่เจ็บในความตายมีความไม่ตายมันเป็นอย่างนี้ชีวิตเราถ้าศึกษาธรรมะมีผู้ไปอย่างนี้มีผู้พ้นอย่างนี้มากมาย ตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าพระอรหันต์มาทุกวันนี่ก็ยังมีผู้ปฏิบัติที่ได้ผลยกมือเคลื่อนไหวรู้จึกตัวนี่ก็ได้แล้วเคลื่อนไหวรู้จึกตัวได้แล้วเวลามาื่เกิดขึ้นได้เกิดมามีความรู้จักตัวทําอย่างนี้ก็ผ่านไปแล้วเปลี่ยนมาเป็นความรู้จึกตัวเปลี่ยนมาเป็นความรู้จักตัวเนี่ยอเออเอ ออมีอะไรถามไหมอยากให้ถามได้ไหมพูดมาอา๋อกลับพักก่อนแล้วค่อยถามกันอีกทีหนึ่ง